หลวงพ่อจะให้ข้อคิดประจำปี 2,550 แต่ก่อนมีอะไรยังค่อยว่ากันตามขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปนี่ก็คือหลวงพ่อจะให้แนวความคิดให้โอวาทแกคณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านหรือว่าหลวงพ่อเป็นผู้กล่าวหรือว่าเป็นผู้แนะแนวธรรมะภาคปฏิบัติให้แก่ คณะสัทธาญาิโยมพธธุทธบริษัทจากนั้นก็เป็นสาานาพิธีเลยเป็นพิธีคกิดคอยว่ากันจากนั้นหลวงพ่อก็จะอนุโมทนาให้พรเมื่ออนุโมทนาให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อคงจะมีซีดีเอมสแจกแล้วก็คงจะมีนี่แหละเหรียญหลวงปู่เครื่องที่หลวงพ่อได้เก็บเอาไว้คงจะแจกลูกหลาน หลวงปู่เครื่องเป็นพระเทระผู้ใหญ่ในถิ่นของเราพวกใครๆก็รู้ว่าหลวงปู่เครื่องคือใครนะแต่หลวงพ่อก็ได้เก็บเอาไว้จนลืมหรือนเมื่อไงแต่ไปโค้นบ่าอักเกลี้ยงมาจากไหนในว่างวะ ต, ตาตาไม่จริงหลวงพ่อสมัยนนะั้นหลวงพ่อไปสร้างเจดีย์ให้หลวงปู่เครื่องเจดีย์หลวงปู่เครื่องน่ยที่วัดป่านายุงหลวงพ่อรวบรว ม, รวมกับคณะสัตยา ญ, ญาณโยมผูกก้อนเน่ยเลยสร้างเจดีย์ให้ หลวงปู่เขื่องหมดไปเกือบเจ็ดแสนเนี่สมัยนั้นสมัยลงหลวงพ่อมาสร้างวัดใหม่นะสร้างเสร็จแล้วก็ได้ถวายทั้งคณะกรรมาการก็เห็นว่าหลวงพ่อมีบุญคุณสําหรับการสร้างเจดีย์ท่านก็เลยมอบเหรียญให้หลวงพ่อว่าหลวงพ่อแจกหมดไปพอแล้วนะทไมโผล่ขึ้นมาอีกวะแสดงว่าหลวงเหรียญหลวงปู่เรื่องก็ามาหาหลวงพ่ออีกมั้งเนีย่ยวันนี้คณะศรัทธาญาติโยม มีท่านนายอำเภอทั้งสองอำเภอท่านนายอำเภอบ้านผือแต่ก่อนท่านก็นอยู่ที่อำเภอนายูงท่านได้ย้ายไปอยู่บ้านผือแล้วก็ น, นายอำเภอนายูงของเรามาทั้งสองอำเภอเลยวันนี้ตลอดถึงพี่น้องประชาชนหัวหน้าส่วนราชการอรปรตอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่ลูกหลานได้มาทําพิธี ตามโบ ร, โบราณว่ามุดน้ําดําหัวนะใครข้าจะแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ในถิ่นฐานบ้านของเราไม่ว่าอยู่ในจังหวัดไหนในวันเช่นนี้หรือว่าใกล้จะสงกรานวันปีใหม่อันนี้ว่าปีใหม่ไทยปีใหม่ไทยก็คือวันที่13เมษาอันนี้เป็นถือเป็นประเพณีมาตั้งแต่โบ ร, โบราณถ้าว่าปีใหม่ สากลก็คือวันที่หนึ่งมกราอันนั้นแปลว่าเป็นวันปีใหม่สากลทั่วโลกแต่วันปีใหม่ไทยนี่ก็คือเนี่ยวันที่13เมษาเนี่ยถือกันมาแต่วันปีใหม่ของจีนก็ยังว่าเนี่ยจุดจุดจีนนี่ก็คือวันปีใหม่ของจีนก็คือเป็นเป็นวันปีใหม่ประจำชาติของใครของเราแต่วันนี้ก็เราพวกเราก็ยังถือเป็นประเพณีถึงจะเป็นวันปีใหม่ สากลแล้วก็ตามแต่วันปีใหม่ของไทยพวกเราก็ยังยึดแนวแถวเป็นปีใหม่ที่ตั้งต้นใหม่คิดใหม่ทําใหม่และก็วันนี้ได้มาร่วมกันที่วัดของหลวงพ่อถ้าว่าไปแล้ววัดของหลวงพ่อในช่วงนี้มีพระต่างชาติต่างภาษามาหลายชาตินะหลวงพ่อได้พูดอยู่เมื่อคืนและเมื่อเช้าเนี่ยหลวงพ่อว่าวัดหลวงพ่อเนี่ยเป็นวัดอินเตอร์นะนะ วัดอินเตอร์ r เงนมีทั้งอังกฤษมีทั้งเยอรมันแฮ่มีทั้งไต้หวันมีทั้งอินโดมีทั้งอังกฤ ษ, ท, ท, ท, กฤษที่อยู่ที่วัดหลวงพอ่อเจว่าวัดต่างชาติตรงนั้นนะวัดอินเตอร์่าเงนเตีเด็กเข้ามาสรุปแล้วก็คือท่านเหล่านั้นเข้ามาก็เพื่อการศึกษาหลวงพ่อได้พูดเมื่อคืนว่าการศึกษาคนทั่วโลกจะเป็นมนุษย์เกิดในภพ ชาติภาษาใดก็ตามเกลียดทุกต้องการความสุขอันนี้คือเป็นความต้องการของมวลมนุษย์ชาตนะิและก็พร้อมกันที่วัดหลวงพ่อขณะนี้ก็มีนักศึกษาแพทย์มหิดลมาบวชเมื่อวันที่10บมีนาที่ผ่านมาทั้งหมดมีอยู่18ปองค์นะแต่เป็นนักศึกษาแพทย์จริงๆกับ13บาที่บวช ที่เขามาบวชในครั้งที่แล้วนอกนั้นก็เป็นพระบวชตามถิ่นฐานบ้านของเราที่เป็นแพทย์บวชอยู่ที่นี่ก็มีบวชที่หลังอีกเพราะนั้นเนี่ยว่าพระหลวงพ่อในวัดเดี๋ยวนี้มีพระทั้งหมด39องค์สามเณรหนึ่งก็มีพระเยอะอยู่นะแต่ดูดูเหมือนจะไม่มีพระเพราะวัดหลวงพ่อกว้างทางต่างองค์ก็ต่างอยู่ข้างในต่างองค์ก็ต่าง ปฏิบัติของใครของเรากันเวลานี้แหละเวลาออกมาฉันน้ําบ่ายสองโมงออกมาฉันน้ํารวมกันมาฉันน้ําทีา่โรงน้ําร้อนก็จะเห็นพระบ้างแต่นอกจากนั้นก็เหมือนก็ไม่มีพระเพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงประกาศัต่าญาติโยมทผู้ที่มาเกี่ยวข้องบางท่านบางคนตุกหลานที่เข้ามาเออหลวงพ่อมาให้เที่ยววัดเนี่ยบางทีอาจจะ ไม่สบายใจหรือว่าทำให้ไม่เข้าใจแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อบอกว่าพระฉันจังหารเสร็จแล้วพระจะต้องกลับกุฏิของท่านเมื่อกลับกุฏิของท่านแล้วท่านก็จะต้องไปภาวนาไปเดินอย่างกรมไปนั่งภาวนาถ้าว่าลูกหลานญาติพี่น้องพวกญาติโยมมามาแล้วก็อยากจะไปชมวัดอยากจะไปดูวัดอย่างนี้เดินเข้าไปก็เป็นการรบกวนท่าน ท่านทากกั้งอกตั้งใจภาวนาท่านมาศึกษาแล้วพวกเราเนี่ยเขามาก็มาเที่ยวเฉยๆพอเดินไปก็เป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะบางทีก็ไปเห็นสัตว์หมูเห็นไก่เห็นลิงเห็นข้างก็อดตะโลเฮโลไปก็ทําให้ความสงบภายในวัดก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองเวลาแกตยโยมมาหลวงพ่อจะไม่ให้เที่ยววัดกลางวันมาถึงศาลาแล้วก็ให้กลับถ้าว่าอยากจะมาดูหรือจะมาเที่ยววัด มาตอนเช้าหลวงพ่อไม่ว่านะไปดูได้ผมไม่คัดข้องแต่ถ้าว่าไม่จำเป็นมีความจาเป็นหลวงพ่อก็ไม่อยากจะให้เข้าไปเที่ยวเพราะว่าพระต้องการความสงบอย่างพระนิสิตนักศึกษานี่หลวงพอ่อนีหลวงพ่อถามบอกว่าท่านว่าก็ผมอดก็ผมอดอาหารปวดท้องนิดหน่อยหลวงพ่อได้จะทายัางไงหลวงพ่อเออ อดอาหารถ้าปวดท้องนะดื่มน้ํามากๆถ้าดื่มน้ํำก็ไปมันก็คนจะเจือจางของจะหายแล้วพวกท่านทั้งหลายเมื่อไปเป็นแพทย์เป็นหมอเลยให้ศึกษาดูนะว่าเวลาปวดท้องเนี่ยเวลาอดอาหารเนี่ยเวลาดื่มน้ําทําไมมันหายไปพอหลวงพ่อเคยปฏิบัติมาแล้วมันหายนะทดลองดูต่นี้หลวงพ่อเลยถามอดมานานเท่าไหร่ล่ะเนี่ยว่าผมอดมาได้15วันแล้วโธ่โธ่โธเกินไปใชแล้ววะ พวกเรานี่เป็นนิสิตนักศึกษาเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มเลยไปอดอาหารมากขนาดไม่ดีไม่ดีไม่ดี ม, ดมาฉันจะมาฉันซะก่อนปดเพียงสองสามวันก็น่าจะเพียงพอเพราะเหตุไรเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าถ้าหางว่าพระนิสิตนักศึกษามาอยู่ที่วัดหลวงพ่อเนี่ยไม่อดอาหารเนี่ยแปลว่าไม่ผ่านอไม่ผ่า น, ไ ม, านไม่ผ่านสนามนาคําน้อยเหมือนกันเถอะพอหลวงพ่อเพราะว่าผู้ที่จะ เป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าจะทํางานสวนราชการหรือทํางานบริษัททางร้านไหนก็ตามมาบวชแล้วควรจะทดลองอดอาหารดู mm. เพื่อเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าถ้าว่ามีการคับขันก็ว่าพาเข้าไปผ่าตัดในห้องผ่าตัดอย่างฉุกเฉินอย่างเนี้ย อ, อ, อาหารเที่ยงไม่ได้ทานอย่างเนี้ยถ้าว่าเราไม่เคยอดอาหารจะเลยมันมันผิดเวลานะตาลุกเป็นไฟนะมันโมโห เพราะนั้นถ้าเราเคยอดอาหารเออสมัยเราบวชเราอดอาหารทั้งสามสี่วันเนี่ยวะไม่เห็นเป็นอะไรเราอดเพียงมื้อเดียวไม่เป็นไรเราพาตัดเสร็จแล้วเราออกไปทานก็ได้เนะี่ยอันนี้มันจะมีความอดทนในจิตในใจใช้ไปนานเท่านานเพราะนั้นหลงพ่อจึงบอกควรจะอดอาหารทดลองอดอาหารดูจะได้เห็นว่าความอดความหิวความอยาก ของพี่น้องประชาชนนั้นเป็นอย่างไรเราจะได้มีน้ำใจมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษยชาติเนะี่ยอันนี้หลวงพ่อก็ได้แนะนำนักษณะอย่างนั้นอนะ่ะอีกอย่างหนึ่งกับการภาพปฏิบัติทางจิตภาวนาสำหรับผู้อดอาหารก็มีคุณค่าแต่ถ้าว่าเราไม่ได้มั่เพนไม่ได้ดูไม่ได้ทรมานกายเฉลยมันก็ไม่ไม่ถูกต้อง แต่ในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านก็นบอกว่าอัตตกิเลมัตถะการทรมานกายให้ลําบากเป่าคือการที่พระพุทธเจ้าอดพระกยายหานถึง49วันอันนั้นก็คือการอดพระกยายหารของพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ภาวนาอดเพียวๆว่างั้นหรออดเพื่อให้หิวเฉยๆว่าจะเป็นยังไงแต่อันนี้เราไม่ได้อดอย่างนั้นเราอดก็บําเพ็ญทางด้านจิตใจไปด้วยอดแล้วก็ภาวนา อดแล้วก็ภาวนาทำจิตให้นิ่งทำจิตให้สงบถ้าคนที่อดอาหารสติสัมปชัญญะจะดีขึ้นมากสติของเราจะดีแต่ถ้าว่าเราทานอาหารอิ่มเต็มที่ความโงกง่วงเหงาเหานอนจะทับถมทางร่างกายภาวนาต่อไปก็ซับประงกเพราะอาหารอยู่ในท้องของเราทาให้ง่วงเพราะฉะนั้นเร า, าบาเพ็ญทางจิตภาวานาเนี่ยมันต้อง อดนอนผ่อนอาหารตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อันนี้หลวงพ่อก็ได้แนะนําพระที่เข้ามาศึกษาในวัดของหลวงพ่อนะและก็พร้อมกันไม่ว่ายุคใดสมัยใดคนทั้งหลายสอบแสวงหาความสุขเกลียดทุกข์และก็พร้อมกัมกม น, านาา ก, ก, ก, ก, าการสอบแสวงหามงคลมงคลของชีวิตในครั้งพระพุทธเจ้าก็การสอบแสวงหามงคล ว่าสิ่งไหนที่เป็นมงคลสิ่งไหนที่เป็นอั ป, ปะมงคลสิ่งที่ไม่ดีสิ่งไหนที่เป็นมงคลนี่แหละมนุษย์ในยุคสมัยนั้นเขาก็สแสวงหาเหมือนกันก็ตั้งคําถามกันขึ้นมามนุษย์ก็เห่กันอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเคยเห็นบางทีก็ตื่นตูมตื่นตานไปก็มีอย่างนิทานอิศพที่ว่ากระตายตื่นตูมนะอันนี้เขาคงจะมีตัก มีทุกยุคทุกสมัยจึงมีนิทานเรื่องนี้ขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันมายุคหนึ่งสมัยหนึ่งสมัยหลวงพ่อยังเป็นเด็กคนเฒ่าคนแก่สมัยนั้นเขาก็พูดให้ฟังว่าก้อนหินก้อนหินแดงก้อนหินแห้งจะเป็นเงินเป็นทองควายตู้น่จะเป็นยักษ์เหมือนกันก็พ่อมากันฆ่าควายทิ้งเหนกันแล้วก็เก็บไปหินที่ หินอยู่ที่ไหนเก็บมาหมดเก็บมหอเอาไว้จะเป็นเงินเป็นทองอ อ, อันนี้กับผีบุญผีบาปอยู่จังหวัดแถวร้อยเอ็ดมั้งที่เป็นต้นเรื่องจนสมัยนั้นรัชการไห น, นโโห ข, ขึ้นมาปราบกันโ อ, อ้โหขี่ม้าขึ้นมางั้นเลยยกพลขึ้นมาปราบไม่สมัยนั้นไม่มีทางรถทางทางเรืองั้นอันนี้นก็กระจุยกระจายกันไปพอสมควรในยุคสมัยนั้นมันเป็นยุคมันเป็นสมัยนะ การเหอหรือว่าการาตื่นข่าวมันเป็นมันเป็นยุคมันเป็นสมัยเพราะนั้นในยุคนี้สมัยนี้หลวงพ่อกำลังได้ยินนยอะไรจะตุคามรา ม, มาเทพแล้วก็ไข่พญานาคกาลังระเบิดเกิดเถิงอยู่ทุกวั น, นเองพวกเราให้คิดดูให้ดีนะ อ, อย่าไปหลงละเลิงอย่าไปหลงจนเกินไปอันนี้คือความ ตื่นข่าวหลวงพ่ออยากจะสอนให้ใช้ปัญญาเนี่ยมลพ่อไม่ได้ต่อต้านนะไม่ได้ต่อต้านชุมชนและสังคมพอหลวงพ่อเคยประสบประการณ์มาหลายครั้งต่อหลายหายนแล้วการเห่อเรื่าการแตกตื่นของมนุษย์ชาติเนี่ยอย่าง ก, กระต่ายตื่นตุมตื่นตานก็เหมือนกันเนีกระต่ายไปนอนอยู่ใต้ต้นมะตูมเนีพอมันโกรธลงมามันถูกใบตาลแห้งเนีตายกระตายก็ไม่ได้สังเกตวิ่งเล ย, ยงั้น ขวิงไปบอกช้างช้างได้ยินช้างขวิ่งไปบอกเสือเสือขวิ่งต่างตัวต่างวิ่งมันออกไปวิ่งเห็นมันตีนแตกหมดว่างั้นเถอะไปเห็นไก่ไก่ขวิ่งทั้งทั้งโดทั้งวิ่งทั้งบินทั้งวิ่งไก่ก็ตีนแตกเหมือนกันไปมนุษย์มนุษย์ขวิ่งเหมือนกันมนุษย์ก็ตีนแตกจนห้านิ้วว่างั้นเถอแต่ไม่ถึงแต่หมาว่างั้นเถอะหมายังไม่ถึงม้าม้ายังยังอยู่ไกลอยู่ก็เลยยังไม่ถึงม้าม้าก็เลยตีนไม่แตกว่างั้นเถอะ นอกนั้นประวัติีนแตกหมดเหมือนกันต่างคนต่างวิ่ง <c oughs> เพราะนั้นน่ยการตื่นผลในสุดไปถึงราศีสีราศีสีเขาวิ่งจนพอลังวันเงินเหนื่อยแข็งมันเลยถามกระตายไม่ใครเป็ น, นต้นเรื่องมาใครเป็นคนเหตุมาราศีสีเป็นเป็นพยาศัตว์เนี่ยผลในสุดกระตายพกระตายเห็นเป็นคนเห็นะมันเป็นยังไงวะโอ้ยมันก็ดังสนั่นวันไหวแล้ว มันคนกำลังนอนหลับใช่ไหมกําลังกระตายกําลังนอนหลับมันก็ตื่นขึ้นมาเสียงคราธรรมลงมามันกกระโดดทั้งวิ่งเลยว่างั้นเถอะโดอไม่ได้สังเกตราชสีห์เขาบอกมันตรงไหนไหตรงนั้นแหละนะพอไปดูที่ไหนได้แมตูมหล่นใสไปตาน น, นี่แหละกว่าจะรู้ได้แค่ว่าตีนใครก็แตกสรพสัดทั้งหลายในยโลกตีนแตกกันหมดแล้วว่างั้นเถอะพอวิ่งหนี้ วิ่งหนีแผ่นดินถลม่มเนี่ยลิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าทำอะไรก็ตามอย่าไปตื่นตูมตื่นตานจนเกินไปอย่างที่หลวงพ่อเคยได้เห็นแต่เราก็ไม่ได้ดูถูกศาสนาเขาหรอกแต่ว่าคนเรานมันตื่นบางครั้งตื่นยุดเกินไปตื่นจนก็น่าเกลียดว่างั้นกับบอกว่าเนี่ยเขาเพ่งกระแสะจิตอเอาฝ่ามือไปเพ่งกระแสะจิต หายนะหลวงพ่อนะ่ยทั้งที่เป็นหมอนะไม่ใช่เป็นหมอที่แท้จริงนะเป็นไอ้ข้าวทำงานสาธารณาสุขเนี่ยนะแต่เป็นผู้ใหญ่มาพูดให้หลวงพ่อหลวงพ่อเอออย่าไปเชื่อมากถ้าว่ามันดีอย่างนั้นเน่ยโรงพยาบาลก็ควรจะทบทิ้งเพราะมันเสียเงินงบประมาณแต่ละปีในเท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นก็เอามือไปยกมือขึ้นมาเลยกันนะเพ่งกระแส จ, จิตเนี่ยมันก็หายนะไม่จําเป็นต้องมีโรงพยาบาล ที่มันมีโรงพยาบาลเดียวนี้ก็เพราะว่ามันไม่หายนั่นแนหะอย่าไปตื่นเกินไปแต่ก็ฟังเอาไว้เพราะเรามีสองหูอย่าไปหูหนักเกินไปจะไปหูเบาเกินไปมันมีสองหูเรามีสองหูเราก็ฟังเอาไว้ถ้าไม่ฟังเเลยก็ไม่ได้เป็นคนหูหนักไม่ยอมรับฟังเหตุและผลอันนี้เป็นคนหูหนักก็ไม่ดีแต่เป็นคนหูเบาจนเกินไปก็ไม่ดีเพราะนั้นต้องฟังเอาไว้ฟังทั้งสองหู ฟังหูไว้หูเยแต่พอวันดีคืนดีหลวงพ่อเขาไปโรงพยาบาลพอมีเห็นพระป่วยหลวงพ่อก็ไปเยี่ยมพระพอไปเยี่ยมไปหลวงพ่อก็เดินเดินไปเห็นโยมคนนั้นเขานอนแองแมงอยู่โรงพยาบาลหลวงพ่อก็อยากจะพูดจะว่าเอ้าเทํ า, ไ, า, าทไมไม่กันล่ะจะว่าอย่างนั้นแต่ก็เหมือนกับจะเป็นการถูถูกกันหลวงพ่อก็เลยไม่พูดตรงนั้นหลวงพ่อก็ไเลไมีแต่ยิ้มยิ้มนี่ท่าไหว ถ้ามันหายเพ่งกระแสจิตจริงๆทําไมเอามืออังอย่างนอ้ให้หายเลยอันนี้ทําไมเข้ามาโรงพยาบาลทําไมเอนี่ลุงพ่อก็ไม่อยากจะเยอ้ยอยันในยามที่ขับขันเจ็บไข้ได้ป่วยลุงพ่อก็จะไม่พูดงั้นนี่ก็มาพูดให้พวกเราท่านทางหลายได้ฟังได้ศึกษาแต่พูดทางนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้รู้ถูกแต่อย่าไปเห่จนเกินไปอย่าไปลืมตัวจนเกินไปในสิ่งเหล่านั้นเราต้องฟังฟังเอาไว้ ไม่ใช่ว่าวัตถุทั้งหลายจะมาเป็นเครื่องกั้นกลางไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ใช่อย่างนั้นเพราะพระพุทธเจ้าท่านว่าศาสนาของเราตถาคตเนี่ยไม่ใช่ผู้นับถือแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ใช่อย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าให้รู้ตามความเป็นจริงว่าถึงจะนับถือเราศาสนาของเราตถาคตก็จริงความแก่ความเจ็บความตายนั่นก็ยังมีอยู่ไม่เป็นอย่างอื่นอ ทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายไม่เป็นไม่ถึงร้อยปีแต่ว่าให้ทําใจในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วความแก่ต้องมาถึงเราผลในสุดความเจ็บต้องมาถึงเราความตายต้องมาถึงเราในขณะที่ความแก่ความเจ็บความตายมาถึงเราเราต้องทําใจเราต้องรู้เท่ารู้ทันเราอย่าประมาทเราให้เตรียมพร้อมคล้ายๆว่าให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ตายแล้วไม่สูญกายแล้วเกิดอีก อันนี้คือพระพุทธเจ้าที่ท่านได้สอนสักพวกเราแต่ว่าเมื่อเรามีวัตถุมงคลแล้วเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่เจ็บไม่ป่วยมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีหรอกคาถาบทไหนคาถาอันไหนศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนที่พูดเสษคาถาเป่าขมมมาแล้วไม่เจ็บไม่ตายไม่มีในโลกนี่ ถ้าอย่างนั้นเขาคงจะหากันจนพอแรงนั่นแหละคนนี่แหละพระฤาษีหรือพระพุทธเจ้าเสกกรหม่อมให้แล้วไม่ตายมันเคยมีไหมก็ไม่เคยเห็นมีไม่ใช่หรอสิ่งเหล่านี้เราต้องทบทวนเหตุและผลพระพุทธเจ้าแต่แท้เป็นโลกวิดทูรู้แจ้งโลกขนาดนั้นพระพุทธเจ้าก็ยังปรินิพานยังตายเหมือนกับคนเราท่านทั้ ง, งหลายท่านก็ตายเมื่ออายุ80ปีเฮที่พระพุทธเจ้าปรินิพานนะอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละพวกเราท่านทั้งหลาย อย่าไปตื่นตนกจนเกินไปหลวงพ่อนี่พยายามให้ใช้เหตุผลนะแต่แต่ทังนี้ท้งนั้นอาจจะเป็นความไม่สบายใจแก่ท่านผู้ใดผู้หนึ่งแต่ถึงอย่างไรก็ตามให้ฟัง เ, เพราะหูของเรามีสองข้างฟังหูไวห้หูฟังหูฟังไว้ฟังหลวงพ่อไว้เด็กครั้งนี้ถ้ามันดีเลิอดประเสริฐจริงๆเอากรว่ากันหลวงพ่อก็ไม่ว่าแต่ถ้าว่ามันเหอเป็นบางครั้ง เพราะเราเคยได้ยินมาแล้วอย่างที่หลงพ่อว่านใะนสมัยนนจนทหารขึ้นมาปราบที่ว่าก้อนหินแหก้อนหินแห่ดินแดงอนะจะเป็นเงินเป็นทองควายจะเป็นคอยตู้จะเป็นยักษ์ชนคนพ่อมพากันฆ่าควายทิ้งสมัยนั้นจากนั้นมาก็มีตังเยอะแยะ เดี๋ยวน้ําทิพย์เกิดที่นั่นเดี๋ยวน้ําทิพย์เกิดที่นี่นไปอาบแล้วจะไม่เก็บไม่ตายผู้มีบุญเกิดที่นั่นผู้มีบุญเกิดที่นีน่พวกเราเป็นชาวพุทธไม่น่าจะหูเบาถึงขนาดนั้นเพราะนั้นต้องฟังใช้ปัญญาพิจารณาด้วยเหตุและผลตลวงพ่อว่านะแต่ถ้าจะว่าไปก็ไม่ใช่ยุคนี้สมัยนี้เหมือนกันนะสมัยในครั้งพระพุทธเจ้าก็มีมีมนุษย์คนหนึ่งกล่าวขึ้นในที่ประชุมคือไปในที่สาธารณะ ชุมนุมกันอย่างขึ้นมาพวกเราหลายหลายคนหนึ่งร้อยๆคนๆคนคนหนึ่งก็เลยถามขึ้นว่าอันไหนเป็นมงคลของชีวิตที่ดีที่สุดคนหนึ่งถามคนถามขึ้นถามขึ้นมาในชุมชนบอกว่ า, วาอันไหนเป็นมงคลของชีวิตที่ดีที่สุดคือเป็นคำถามจากนั้นคนหนึ่งก็ตอบว่าการได้เห็น การได้เห็นขึ้นขึ้นอภิปรายว่าการได้เห็นสิ่งที่เป็นมงคลเห็นรูปสวยๆเห็นรูปงามๆเห็นพระอาทิตย์เห็นพระจันทร์เห็นเงินคําทรัพย์สมบัติเห็นแก้วมณีนี่แหละเป็นมงคลคนหนุ่มก็ขึ้นไปคัดค้านมาว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าการเห็นไม่ใช่จะเห็นแต่ของดีไปเห็นของเลวๆก็มีเห็นขี้เห็นเยี่ยวเห็นจัดเลื่อยคานเห็นงูเห็นอนหน้าเกียจจะตายไปจะว่าเห็นสิ่งที่ว่าเห็นเป็นมงคลก็คงจะไม่ใช่ คนหนึ่งก็บอกใช่มันก็มันมีส่วนดีและส่วนเสียไม่เป็นมงคลการเห็นหูดีดีกว่าการได้ยินทางหูเนี่ยเป็นมงคลเสียงร้องลำํำทำเพลงเสียงไพเราะสนุนสดมันก็เป็นผลดี เ, เป็นที่ส บ, บายอกส บ, บายใจนี่แหละเป็นมงคลคนหนึ่งก็คดัคดค้านว่าเสียงที่เขาด่าเขาแช่งละ่ะที่ไม่พอใจกับเราละ่ะ เ, เสียงนินทาของเราละ่ะ เป็นเปม็นมงคลอยู่เหลยโอ้ไม่คนหนึ่งก็บอกไม่ใช่ไม่น่าใจะใช่ผลที่สุดก็เลยทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจก็มาถกเถียงกันพอถกเถียงกันไปถกเถียงกันมาจนไปถึงผู้มีจิตใจสูงเข้าไปถามพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้ายังอยู่ในกรุงสวัรถีได้สมัยนั้นมนุษย์ทางหลาย หามงคลกับถึงส2บสองปีเลยแปลว่าตื่นกันไม่ใช่ตื่นน้อยนะตื่นอะไรจะถูกขามล้ำมาเทพเนี่ยหลวงพ่อว่าคงจะไม่ตื่นางานถึงส2บปีมัง้งแล้วก็ตื่นไขยพญานาคก็คงจะไม่มากถึงขนาดนั้นมัง้งแต่เนี่ยาตื่นมงคลนนะ่ที่ตั้งปัญหาถามกันน่ยสิบสองปีแต่นี่มีผู้หนึ่งเข้าไปถามพระพุทธเ จ, จา้า พระพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าค่ะมงคลของชีวิตนี่คืออะไรพระพุทธเจ้าบอกว่ามงคลของชีวิตท่านก็เลยตั้งมงคล38มีอยู่38ประการาตั้ง38ประการนั้นท่านก็วองว่ามงมงคลข้อที่หนึ่งอาเซวนาจะบาลานังบัณฑิตา น, นันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมังเป็นมงคลอันอุดมอาเซวนาจะบาลานัง อย่าไปคบคนพาณถ้าคบคนพาณแล้วคนพาณนั้มพาไปหาทางชั่วพาไปหาทางจิบหายคบคนพาณิชย์ถ้าไปคบนักเลงนักเลงเขาจะพาไปป้นไปจี้ไปขโมยถ้าไปคบนักเลงที่ขายยาบ้ายามะเขาก็จะพาไปขายยาบ้ายามะถ้าไปคบนักเลงการพนันก็จะพาพาไปเล่นการพนันถ้าคบคนใดก็เป็นเช่นคนคนนั้นแหละ อย่าไปคบคนผ่านคนพานในพาไปพาผิดทางกฎหมายเนีพาทําให้เดือดร้อนถ้าไปคบกับคนผ่านแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ดีมีพระพุทธเจ้าท่านว่านี่แหละเป็นมงคลข้อที่หนึ่งอย่าไปคบคนอย่าไปคบคนผ่าลเนีเ่ยอย่าไปเสียวนากับคนผ่านบัณฑิตาเนี่ยจะเสวนาให้คบบัณฑิตนักปราชญ์เนี่ยผู้ฉลาดฉเฉลียวฉลาดที่แนะนําสั่งสอนให้รู้จักดีรู้จักชั่ว อันนให้คบบัณฑิตนักปราชญนะ์นะบัณฑิตนักปราชญ์หลวงพ่อว่าในยุคสมัยนี้ก็คือศีลธรรมของพระพุทธเจ้านะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเนะ่ยศีลห้าประการเนี่ยคือบัณฑิตพระธรรมคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่คือนักปราชญ์ให้พวกเราเข้ามาศึกษากับบัณฑิตนักปราชญ์คือศีลธรรมของพระพุทธเจ้านั่นแหละพวกเราจะมีความสุขความเย็นใจนะเสวนาจะบาลนางังบัณฑิตานาเจเสวนาปูชาจะปูชนียานางัง บูชาบุคคลที่ควรบูชาคือบุคคลที่ควรบูชาสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายก็คือพ่อแม่พ่อแม่เป็นบุคคลที่ควรบูชาอย่างยิ่งแล้วก็ปู่ย่าตายายวงศ์สาคนาญาติพ่อแม่ครูบาอาจารย์ือวัยวุฒคุณธรฒมที่มีคุณธรรมอันนี้เป็นบุคคลที่ควรบูชาบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังขารมุตตัมังเป็นมงคลอันอุดมเพราะนั้น นี่ละคือมองคลมีอยู่สามอย่างไม่คบคนพานหนึ่งคบบัณฑิตหนึ่งบูชาบุคคลที่บุญควรบูชาหนึ่งนี่พระพุทธเจ้าเป็นมงคลอันอุดมพวกเราคิดดูสิว่าพระพุทธเจ้าพูดถูกไหมจากนั้นก็หลวงพ่อจําขั้นตอนไม่ได้นะแต่ว่าคงจะทําออกเป็นข้อๆม า, ามาตาปิตุอุปัทานังพุทธาทานัะสังการห อานาคูลาจะกรรมันตาเอตมังขรมุตตมังอันนี้กมามตาปิดถูให้เลี้ยงดูมารดาปิดาของตอนเองเป็นมงคลอันอุดมมาตาปิดถูกอุปัทานังให้อุปถากปิดามารดานะพุทธทาลัสสังกโหให้สงเคราะห์บุตรภรรยาให้อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข อ, อย่าไปทําให้เสียอกเสียใจพุทธทาลัสสังกโหอานาคูลา การทำการทํางานอย่าให้มันข้งขงางค้างให้ทําการงานด้วยความตั้งอกตั้งใจทําอย่าไปทิ้งไว้งานเอาไว้วันนั้นก่อนเอาไว้วันนี้ก่อนอยัค่อยทําอันนี้แปลว่าอนาคูลงานที่อาดุลไม่เป็นมงคลอันนี้พระพุทธเจา้าท่านเขพูดเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อ อ, อย่างปฏิูประเทสวาโซจ่า ปุเพจากกระตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิธิอันนี้คือมงคลเหมือนกันอยู่ในประเทศอันสมควร อ, อปฏิรูประเทศวาโซจะอยู่ประเทศอันสมควรคือประเทศพวกเราได้อยู่ในประเทศคือมีพระพุทธศาสนาพีมีพระมหากษัตริย์อย่างประเทศไทยของเราเนี่ยอยู่เป็นประเทศอันสมควรปฏิรูประเทสวาโซจะปุเพยจากกระตปุญญาตาพวกเราคงจะได้ทําบุญไว้ในอดีตชาติจะมาเกิดในสถานที่แห่งนี้ อัตตะซัมมาปณิธิเพราะนั้นพวกเราควรตั้งตนไว้ชอบอย่าไปทําสิ่งที่มันไม่ถูกไม่เหมาะไม่สมไม่ควรถ้งว่าเราทำทิ้งที่ไม่ถูกไม่เหมาะไม่สมไม่ควรแล้วพวกเราอาจจะได้ผัดตกลงไปต่ําไม่มาเกิดไม่ได้มาเกิดในสถานที่เป็นมงคลอย่างนี้อันนี้หลวพพระพุทธเจ้าที่ท่านสอน เป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อถึง38มสิบแปดมงคลมงคล38ให้พวกเราได้ไปศึกษาดูนะให้ไปศึกษาดูมงคล38ดที่พระพุทธที่หลวงพ่อได้กล่าวมานี้กล่าวเพียงย่นย่อแต่หลวงพ่อได้อ่านดูแล้วล้วนแล้วแต่เป็นมงคลสําหรับชีวิตของพวกเราชีวิตประจําวันของพวกเราทั้งนั้นเเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้ามาให้ตื่นไม่ให้ตื่นในสิ่งจริงต่างๆ ถ้าเราครบคนดีแล้วก็เป็นมงคลถ้าคบคนผ่านเป็นอั ป, ปมงคลบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลการดูแลบิดามารดาเป็นมงคลการดูแลบุตรภรรยาให้ความอบอุ่นแก่เขาเป็นมงคลอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นพวกเราญาติโยมทุกๆ ท, ท่านนะที่มาคราวะหลวงพ่อในวันนี้หลวงพ่อจะขอย้อําเตือนกล่าวเตือนจะให้พวกเรา หล้มหลง ม, ม, มัวเมาตื่นข่าวในสิ่งที่จะทำให้ทำให้กำลังใจเสียหายทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองทำให้จิตใจของเราเไม่เบิกบานนะเพราะนั้นให้เราศึกษาตามแนวแถวพุท ธ, ธะที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนอย่างไรให้พวกเราปฏิบัติตามนั้นหลวงพอว่อเป็นมงคลนะเป็นมงคลพระพุทธเจ้าสอนด้วยเหตุผลนะ หลักธรรมะคือหลักเหตุผลไม่ได้ยกเมฆยกหมอดหมอบหมอกมาพูดไม่ได้เอาสิ่งที่จับต้องไม่ได้มาพูดพุทธศาสนาเป็นเป็นศาสนาที่ว่าเป็นวิทยาศาสตร์ก็ว่าได้อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นว่าเหปานานไม่ให้ฆ่าสัตว์อย่างนี้การไม่ฆ่ากันดีไหมเนี่ยอาินนาไม่ให้ขโมยกันถ้าคนขโมยกันมากๆตีไหมฮ อันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเป็นว่าเป็นสิ่งที่แต่ต้องได้มีเหตุและผลเพราะนั้นพวกเราเป็นชาวพุพทธมามะกะพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าควรจะฟังควรจะศึกษาอย่าไปถือมงคลตื่นข่าวอย่าไปถือว่าที่นุ่นข่าวบางทีต้นกล้วยออกากลางลำก็ไปปลุกปักทูบเทียนอขอหวยขอเบอร์บางทีหมาหมูหมากาไกา่ผิดปกติของร่างกายพวกเราก็ไปขอ เป็นสิริเป็นมงคลสิ่งเหล่านั้นเป็นอัปปมงคลอยู่แล้วพวกเราจะไปขอมงคลจากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรแสดงว่าเราศรัทธาของเรานี่ใช่ไม่ได้เลยศรัทธาของเรานี่เชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อศรัทธาของพระพุทธเจ้าที่พระพ<ว>ุทธเจ้าเศรัทธาคือให้เชื่อสิ่งที่ควรเชื่ออย่าไปไม่อย่าไปเชื่อที่สิ่งไม่ควรจะเชื่อเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะ สรุปแล้วก็คือให้มีศีลธรรมประจําใจก่อนหลับก่อนนอนก่อนไหว้พระก่อนหลับก่อนนอนให้แล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซะก่อนค่อยเป็นมงคล น, นะและึกถึงคุณงามความดีไหว้บิดามารดาไหว้ในใจนะและึกถึงประคุณของท่านที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามาโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งที่เรามาสงกรานต์ที่เราไปทําการงานที่ไหนมาหรือว่ารองทํางานที่นี่ เป็นวันหยุดสงกรานนีเน้เราเข้าไปถึงพ่อถึงแม่เราก็ควรจะเข้าไปการาบตักของท่านนะไปการาบตักของท่านการาบคุณพ่อครั้งหนึ่งการาบคุณแม่ครั้งหนึ่งเราไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองอะไรทั้งหมดอย่าให้มีในใจเพราะเราถือว่าเราเกิดมาจากพ่อแม่เราเกิดมาจากไหนมาจากแม่แม่เป็นผู้เลี้ยงดูเรามาถือว่าพ่อแม่เป็นบุคพลอาจารย์เป็นอาจารย์ของบุตรธิดา เป็นอาจารย์คนแรกสอนลูกตั้งแต่ตัวแดงๆบางงันพวกเราเห็นเด็กก็แล้วกันแื้วเห็นลูกหลานของเราเอเราก็เหมือนกันะเอไม่แพ้กันพ่อแม่เลี้ยงเราดูดเรามาเลี้ยงยากขนาดไหนถ้าผู้มีลูกแล้วจะเห็นจะรู้ได้ว่าการเลี้ยงลูกนันยากขนาดไหนพ่อแม่เลี้ยงเราก็ยากขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเราต้องเราลึก ถ, ถึงพระคุณของท่านว่าท่านได้เลี้ยงดูเรามาแต่อ่อนแต่ออก จากนั้นท่านก็นสั่งสอนแนะนําให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักควรพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดควรทําไม่ควรทําจากนั้นก็ส่งเข้าโรงร่าโรงเรียนจนจบปริญญาตรีโทเอกเราะนั้นเราอย่าไปลืมพระคุณของท่านเพราะท่านเป็นผู้มีพระคุณอย่างมากสําหรับบุตรธิดาสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็วันสงกรานต์เช่นนี้พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่พวกเราก็ควรจะไปกราบไปไหว้ท่าน ในเมื่อไปกราบไปไหว้ท่านเรามีอะไรนะสียงตัวนี้เราก็ต้องคิดเหมือนกันเราจะมีอะไรไปฝากใส่มือของท่านบ้างไม่ใช่ไปกราบเฉยท่านได้เลี้ยงดูเรามาท่านทะโนทนอมขนาดเออของเข้าในปากท่านท่านจะคลายให้แก่ลูกท่านได้แต่พวกเราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ทึงมาขนาดนี้แล้วเราไม่มีอะไรที่จะไปฝากท่านบ้างเหรอ จากน้อยก็มีนมกล่องหนึ่งก็ยังดีมีเงินห้าบาทสิบบาทไปใส่มือท่านก็ยังดเีเพราะนั้นถ้าว่าเราไม่ได้มีอะไรเป็นวัตถุเข้าไปใส่มือไปให้ท่านใช่เลยหลวงพ่อกอว่าไม่ถูกต้องนะนานทีปีหนเราจะไปบอกว่าคุณพ่อคุณแม่คนนั้นคนนี้ดูแลรักษาต่างคนก็ต่างทิ้งให้กันมีลูกห้าหกเจ็ดคนว่ามอบให้คนที่คุณแม่อยู่ด้วยนั่นเป็นผู้ดูแลพวกที่ไปก็มีแต่ไปกินกับเขา อย่างนี้ผมหลวงพ่ออว่าไม่ถูกพราการที่จะไปหาพ่อหาแม่แต่ละครั้งเราต้องเตรียมพร้อมไว้พอสมควรไปเยี่ยมท่านไปทดแทนพระคุณของท่านไม่ใช่ไปกราบท่านเฉยๆต้องมีวัตถุไปด้วยหลวงพ่อว่านะอันนี้ก็คือกล่าวเตือนพวกเราที่เป็นลูกเป็นเต้ า, เ ป, เ, ป เ, ตาเป็นลูกเป็นหลานพวกเราก็เหมือนกันถ้าว่าเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้านะมีลูกมีเต้าขึ้นมาเมื่อเราพาลูกพาเต้าไปกราบพ่อกราบแม่ ไปกราบวงสาขณนายาตไปกราบญาติผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าลูกของเราก็มากราบพ่อแม่ได้อย่างสนิทใจเพราะเหตุใดพพ่อพาไปพ่อแม่พาไปกราบพ่อตาแม่ยายให้ลูกได้เห็นเขาก็เป็นถือเป็นตัวอย่างแต่ถ้ามาพ่อแม่ไม่เคยกราบใครเฉลยไม่เคยพาไปกราบบุพพการีเฉลยลูกของเราก็กราบเรายากเหมือนกันนะ เก๊กังๆงืองื้อเงักเมื่อน่นเถอแข็งกระด้างไม่กล้ากล่าวไม่กล้าสแสดงออกเพราะเหตุอะไรเพราะว่าพ่อแม่ไม่เคยกระทํากับปู่ย่าตายายเพราะฉะนั้นพวกเราควรจะถือควรจะเมื่อได้รับฟังทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าพ่อแม่เป็นบุคคาจารเป็นอาจารย์ของบุตรทิดาเราผมมั่นใจเ <c oughs> มื่อเราพิเคราะห์เรามาพิจารณ า, า, าดูแล้วพ่อแม่เป็นผู้มีประคุณอย่างยิ่งสําหรับตัวของเรา เราก็พร้อมที่จะเข้าไปกราบพ่อแม่ด้วยความสนิทใจได้เป็นตัวอย่างของบุตรธิดาของเราเนี่แหละทางว่าพวกเราทําได้อย่างนั้นหลูกพ่อเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่งแต่ถ้าบางคนมากล่าวขวัญพ่อแม่ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ให้ลูกตัวเองฟังมันไม่เป็นผลดีนะต่อไปภายภาคหน้านั้นลูกของเราจะนินทานเราว่าพ่อไม่ม่ไม่ไมไมดีอย่างนั้นแม่ไม่ดีอย่างนี้น ผลที่สุดเราจะพึ่งพาอาศัยลูกเต้าก็พึ่งพาอาศัยไม่ได้เพราะเราไม่ได้สอนเขาไว้เพราะฉะนั้นพวกเราควรจะสอนเขาไว้ให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ให้รู้จักพระคุณ ข, ของบิดามารดานะหลวงพ่อว่านานสงกรานอย่างนี้นแหละควรจะปฏิบัติพาลูกเต้าเล้าล้านไปกระผู้มีพระคุณในตระกูลของเราก็เพื่อเป็นิริษเพื่อเป็นมงคลนะ ท่านจะจะให้ศีลให้พรเมื่อให้ศีลให้พรแล้วพวกเราก็สบายอกสบายใจตลอดถึงว่าเมื่อพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรมีอะไรไหมที่จะให้ลูกทั้งหลายช่วยกันดูแลพาไปหาหมดหาหมอพ่อแม่เป็นไงสุขภาพขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้เป็นยังไงขาดเหลือขาดตกอะไรพ่อแม่ก็จะได้ประวัตนาตัวเอาไว้จากนั้นก็ได้ช่วยกันรักษาพ่อแม่ อย่าให้เขาได้ว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกตั้งหลายคนเลี้ยงได้แต่ลูกหลายคนเลี้ยงพ่อกับแม่คนเดียวเ อ, อเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงพ่อกับแม่ไม่ได้อย่าให้เขาได้ดูถูกอย่างนั้นหลวงพ่อว่านะอพระพุทธเจ้าพระหันสาวกทั้งหลายท่านไม่เคยทิ้งพ่อทิ้งแม่ของท่านท่านมาเกิดมาพบใดชาติใดท่านก็เลี้ยงดูอย่างพระพุทธเจ้าในชาตินี้เห็นไหมพ่อ ท่านเกิดมาได้เจดวันแม่ของท่านไปเกิดอยู่ชั้นดุสิเนะี่ยพระพุทธองค์ก็ยังขึ้นไปเทศอยู่ชั้นดาวกระดึงให้แม่ท่านลงมาฟังที่นั่นที่ว่าตักบาตเทโวตักบาตเทโวนั่นก็คือพระพุทธเจ้าขึ้นไปโปรดพระมารดาบนชั้นสวรรค์ท่านไม่ลืมไม่เคยลืมพระคุณของมารดาของท่านจากนั้นท่านก็เทศให้พระบิดาของท่านที่กรุงกบินละพัฒนพระบิดาที่ของราชจนได้สําเร็จเป็นพระอรหรันต ขณะที่พ่อยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านไม่ ไ, มได้ลืมพระคุณของบิดามารดาเพราะฉนั้นพวกเราท่านทั้งหลายควรจะยึดแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพาปฏิบัติกับพระบิดาของท่านพระมารดาของท่านพวกเราก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญนะต่อ น, นี้ไปถูกพ่อได้พูดเสียยืดยาวต่อ น, นี้ไปก็คงจะทําพิธีตามประเพณีต่อไป จากนั้นหลวงพ่อจะให้พรนะให้พรก่อนเสร็จแล้วก่อนหลวงพอ่อก็คงจะแ <c oughs> จกเหรียญ น, นะผู้ไดยจะเฝ้านะรอรับ